จิติตและเ ค, คำว่าจิตในที่นี้หมายถึงจิตใจหรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าวิญญาณซึ่งคำว่าวิญญาณในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงผีหรือหมายถึงคนที่ตายไปแล้วเพราะสิ่งที่คนทั้งหลายเรียกกันว่าผีหรือวิญญาณนั้นทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าโอปปปาติกะ ในทางพุทธศาสนาคำเหล่านี้มีความหมายเหมือนกันคือคำว่าจิตวิญญาณมโนซึ่งทั้งสามคำนี้แปลเป็นไทยว่าใจและคำว่าวิญญาณซึ่งหมายถึงจิตใจนั้นเราจะเห็นได้จากตัวอย่างดังต่อไปนี้เช่นที่เราพูดกันว่าตาเห็นนั้นทางพุทธศาสนาถือว่า วิญญาณเป็นผู้เห็นเพราะการเห็นพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าจักขุวิญญาณซึ่งตามสัพ์แปล ว, ว่าวิญญาณที่เกิดขึ้นทางตาหรือเกิดขึ้นเพราะอาศัยตาหูได้ยินก็คือวิญญาณได้ยินแล้วเรียกว่าโสตวิญญาณสมองนึกคิดก็คือวิญญาณนึกคิดแล้วเรียกว่ามโนวิญญาณ อย่างนี้เป็นต้นก่อนอื่นขอให้เข้าใจว่าจิตหรือวิ ญ, ญญาณตามหลักของพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีอีกอย่างหนึ่งนอกจากร่างกายเหมือนกับน้ำในขวดน้ำกับขวดเป็นของคนละอย่างทั้งนี้ก็เพราะตามหลักพุทธศาสนานถือว่าคนเราเมื่อตายก็ตายแต่ร่างกายเท่านั้น ส่วนวิญญาณไม่ตายไม่สูญในเมื่อยังมีกิเลสและวิญญาณอันนี้แหละก่อนที่ร่างกายจะตายจริงๆนั้นมันก็จะต้องสร้างร่างกายขึ้นมาอีกซึ่งร่างกายที่เกิดใหม่และเกิดขึ้นได้ทันทีนี้เรียกว่ากายทิพย์หรือโอปปาติกะและอีกอย่างหนึ่งก่อนที่คนเราจะมีรูปร่างตัวตนเกิดขึ้นในท้องแม่ทางพุทธศาสนาก็สอนว่า ต้องมีวิญญาณมาเกิดในท้องแม่คือมาเกิดในไข่ที่ผสมเชื้ออสุจิไว้แล้วไม่เช่นนั้นไข่นั้นจะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นคนไม่ได้และอีกอย่างหนึ่งดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าที่พูดกันว่าตาเห็นหูได้ยินสมองนึกคิดนั้นความจริงตาเห็นก็คือวิญญาณเห็นหูได้ยินก็คือวิญญาณได้ยินสมองนึกคิดก็คือวิญญาณนึกคิด วิญญาณซึ่งเป็นสิ่งที่มีมาก่อนที่จะมีร่างกายเกิดขึ้นในท้องแม่นั้นวิญญาณอันนี้แหละคือตัวการสำคัญที่ทำให้วัตถุธาตุต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลหิตของแม่กลายเป็นอวัยวะต่างๆเช่นทำให้แคลเซียมกลายเป็นกระดูกและฟันอย่างนี้เป็นต้นและประการสุดท้ายการที่ร่างกายเคลื่อนไหวได้อวัยวะต่างๆทางานตามหน้าที่ของตนเองได้ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะวิญญาณเป็นผู้บังคับควบคุมฉะนั้นเมื่อพิจารณาดูจากหลักต่างๆดังที่กล่าวมานี้ก็จะทำให้เข้าใจได้ดีว่าวิญญาณกับร่างกายไม่ใช่ของสิ่งเดียวกันแน่นอนคือวิญญาณเป็นนามธรรมส่วนร่างกายเป็นรูปธรรมตัวเราเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม คำว่าเจตสิกคำนี้อีกคำหนึ่งซึ่งคนทั่วไปมักจะเข้าใจความหมายไม่ถูกต้องทั้งๆ ท, ที่คำนี้มักจะพูดหรือเขียนกันอยู่เสมออันที่จริงคำบาลีที่ใช้กันอยู่ในภาษาไทยนั้นมีหลายคำซึ่งมีความหมายผิดไปจากเดิมเช่นคำว่านาเวทนาคนทั่วไปเข้าใจว่าหมายถึงน่าสงสารซึ่งในความหมายเดิมที่ใช้ในคำภีของพุทธศาสนานั้นคำนี้หมายถึง ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือรู้สึกเฉยเฉยซึ่งเรียกสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาไม่ได้หมายถึงความสงสารเลยอย่างนี้เป็นต้นการศึกษาเรื่องธรรมะที่จะทาให้เข้าใจง่ายและถูกต้องนั้นต้องจำไว้ให้ดีว่าประการสาคัญอันแรกก็คือต้องพยายามทำความเข้าใจความหมายของคาที่ใช้ให้ถูกต้องตามความหมายในคำพี อย่าแปลความหมายเอาเองตามความเคยชินอันนี้สำคัญมากคนทั้งหลายที่ศึกษาธรรมะ ก, กันไม่ค่อยจะรู้เรื่องนั้นสาเหตุสำคัญมักจะเนื่องมาจากเข้าใจความหมายของศัพธรรมะไม่ถูกต้องหรือเข้าใจไม่กระจ่างฉะนั้นจึงได้ขอเตือนเอาไว้ก่อนเจตสิกตามศับแปลว่าสิ่งที่เกิดกับจิตหรือประกอบอยู่กับจิต ซึ่งคําว่าเจตสิกนี้ก็มีความหมายเพียงสามอย่างเท่านั้นคือหมายถึงเวทนาสัญญาและสังขารหมายเหตุผู้อ่านและคําปลาอีกคําหนึ่งของเจตสิกที่ใช้กันทั่วไปก็หมายถึงคุณสมบัติของจิตนะครับในเรื่องขันห้าหรือเบญจขัน เวทนาถ้าหมายถึงความรู้สึกเป็นสุขก็เรียกว่าสุขเวทนาถ้าหมายถึงความรู้สึกเป็นทุกข์ก็เรียกว่าทุกขเวทนาถ้ารู้สึกเฉยๆก็เรียกว่าอุเบกขาเวทนาหรืออทุก ข, ขมสุขเวทนาคือไม่สุขไม่ทุก ข, ข์คำว่าอุเบกขาเวทนานั้น จะมีความหมายคนลอย่างกับอุเบกขาที่เป็นการวางเฉยสัญญาหมายถึงความจำหรือการกำหนดหมายเพื่อให้จำได้ซึ่งโดยทั่วไปมักแปลว่าความจำได้หมายรู้สังขารในที่นี้หมายถึงความรู้สึกนึกคิดที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล หรือพูดอีกนัยยะหนึ่งหมายถึงสิ่งที่เรียกกันว่าบุญหรือบาปคุณธรรมหรืออาธรรมความดีหรือความชั่วซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจหรือในสันดานของคนเราไม่ได้หมายถึงร่างกายอย่างที่คนทั้งหลายมักจะเข้าใจกันต้องจำไว้ให้ดีว่าสังขารในที่นี้เป็นนามธรรมฉะนั้นจะหมายถึงร่างกายไม่ได้ และร่างกายในหัวข้อของธรรมะหมวดนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่ารูปหมายเหตุผู้อ่านสำหรับคำว่าสังขารนั้นมีความหมายหลายอย่างสุดล a แต่ว่าจะอยู่ในธรรมะหัวข้อใดซึ่งแปลต่างกันออกไปได้ท่านเปรียบคล้ายกับคำว่าเขาเมื่ออยู่ในประโยคต่างๆก็มีความหมายแตกต่างกันได้หลายอย่าง เช่นของเขาภูเขานกเขาคำว่าสังขารก็เช่นเดียวกันซึ่งจะเข้าใจได้ตรงความหมายก็ต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วรู้ว่าบริบทนั้นท่านหมายถึงอะไรตามหลักพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงแบ่งตัวเราออกเป็นห้าขันคือห้าส่วนหรือห้าประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่ารูป อีกสประเภทเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณและได้กล่าวอีกว่าเวทนาสัญญาและสังขา น, นั้นรวมเรียกว่าเจตสิกซึ่งแปลว่าสิ่งที่เกิดกับจิตหรือวิญญาณประกอบอยู่กับวิญญาณดังที่ได้กล่าวมาแล้วหมายความว่าวิญญาณไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือไปไหนจะต้องมีสิ่งสามอย่างนี้อยู่ด้วยเสมอ ขึ้นชื่อว่าวิญญาณในความหมายของพุทธศาสนานั้นวิญญาณจะอยู่อย่างโด ด, โ ด, ดโดยไม่มีเวทนาสัญญาสังขารอยู่ด้วยนั้นเป็นสิ่งที่มีไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะทั้งสามอย่างนั้นเป็นคุณสมบัติประจำของวิญญาณและวิญญาณจะเกิดขึ้นได้คือมีปรากฏการเป็นการเห็นการได้ยินการรู้สึกกลิ่นรู้สึกรสรู้สึกสัมผัสทางกายและรู้สึกนึกคิดต่างขึ้นมาได้นั้น จะต้องอาศัยเวทนาสัญญาและสังขารเหล่านี้เป็นปัจจัยจำนองเดียวกับมเมล็ดผลไม้ทุกชนิดจะงอกขึ้นมาได้จะต้องอาศัยคุณสมบัติภายในตัวของมเมล็ดผลไม้นั่นเองถ้ า, มาเมล็ดผลไม้อันไหนขาดคุณสมบัติเช่นเน่าเสียไม่สมบูรณ์หรือตายมาเมล็ดนั้นจะงอกขึ้นมาไม่ได้จิตหรือวิญญาณนี้ก็เช่นเดียวกันจะเกิดขึ้นมาได้ คือมีปรากฏการณ์ังที่กล่าวมาแล้วนั้นได้จะต้องอาศัยเวทนาสัญญาและสังขารทั้งสมอย่างนี้แหละเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งจริงอยู่วิญญาณจะเกิดการเห็นขึ้นมาได้จะต้องอาศัยตาวิญญาณจะเกิดความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายขึ้นมาได้จะต้องอาศัยสมองถ้าขาดอวัยวะต่างๆเหล่านี้แล้ววิญญาณจะเกิดไม่ได้ เหมือนเมล็ดผ ล, ลไม้จะเกิดขึ้นมาได้จะต้องอาศัยดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมแต่ก็อย่าลืมว่าดินฟ้าอากาศนั้นเป็นเพียงปัจจัยส่วนหนึ่งถึงจะสำคัญอย่างไรก็ไม่สำคัญเท่ากับคุณสมบัติภายในเมล็ดวิญญาณก็เช่นเดียวกันถ้าขาดคุณสมบัติทั้งสมอย่างเหล่านั้นวิญญาณก็เกิดไม่ได้แม้จะมีอวัยวะคือตาหูจมูกลิ้นกายและสมองบริบูรณ์ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ทางพุทธศาสนามีวิธีพิสูจน์แต่ก็เป็นเรื่องที่ยากเกินไปสำหรับคนทั่วไปที่จะเข้าใจเรื่องนี้เพราะผู้ที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้จริงๆนั้นจะต้องเป็นคนมีสมาธิสูงมากไม่เช่นนั้นจะไม่อาจเข้าใจหลักที่ว่าวิญญาณจะเกิดขึ้นมาได้จะต้องอาศัยเวทนาสัญญาสังขาร หนึ่งควรจะทำความเข้าใจให้แจมแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่าจิตหรือวิญญาณ น, นี้เป็นนามธรรมคือเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างตัวตนไม่มีน้ำหนักไม่มีขนาดไม่กินเนื้อที่จะชั่งหรือวัดเหมือนอย่างวัตถุไม่ได้จะจับต้องหรือสัมผัสด้วยประสาททั้งห้าไม่ได้และโดยปกติจิตหรือวิญญาณ น, นี้มีอยู่ในสรรพสิ่งทั้งปวงแทรกซึมอยู่ในสรรพสิ่งทั้งปวง เหมือนกับความร้อนหรือไฟฟ้าซึ่งมีอยู่ในศาสสารทุกชนิดแต่เรื่องนี้เข้าใจยากมากคนส่วนมากจะไม่ยอมรับว่าในศาสสารหรือในสิ่งที่ร้ชีวิตเช่นก้อนดินก้อนหินกรวดทรายแร่ธาตุต่างๆมีวิญญาณอยู่ภายในแต่อย่างไรก็าตามถึงแม้เราจะไม่เข้าใจเรื่องวิญญาณลึกซึ้งถึงขนาดนี้และไม่ยอมรับในเรื่องนี้ แต่ก็ควรจะเข้าใจไว้ด้วยว่าในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์หรือเป็นคนชีวิตเหล่านี้มีวิญญาณทั้งสิน้นเราะในสิ่งที่มีชีวิตนั้นวิญญาณได้แสดงตัวหรือมีปรากฏการออกมาให้เห็นได้แล้วซึ่งต่างกับวิญญาณในวัตถุเพราะวิญญาณในวัตถุนั้นยังไม่มีปรากฏการแสดงออกมาให้เห็นคนที่จะยังรู้เรื่องวิญญาณในวัตถุนั้น จะต้องมีความรู้หลายด้านและโดยเฉพาะจะต้องมีสมาธิดีด้วยจึงจะยังรู้เรื่องนี้ได้หมายเหตุผู้อ่านสำหรับเรื่องวิญญาณในวัตถุและวิญญาณในพืชนั้นดูและฟังคำอธิบายได้โดยละเอียดในหนังสือเรื่องวิญญาณคืออะไรซึ่งมีทั้งหมดสองเล่มนะครับขอสรุปเบื้องต้นให้ก่อนตรงนี้ว่า เป็นวิญญาณคนละประเภทกับที่คนทั่วไปเข้าใจซึ่งวิญญาณประเภทนี้ก็มีอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายมนุษย์เช่นกันซึ่งในทางวิทยาศาสตร์นั้นวัตถุทุกอย่างเมื่อเจาะลึกลงไปจะพบพลังงานบางอย่างที่ทำให้เกิดการรวมกันของอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนจนกลายเป็นอะตอมซึ่งในเบื้องต้นนั้นคนพบกันว่ามีอนุภาคที่เรียกกันว่าอนุภาคพระเจ้าและเชื่อกันว่าเป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งทั้งปวง และต่อมาได้มีการทดลองในจักรวาลจำลองก็พบว่าในความว่างเปล่านั้นก่อกำเนิดอนุภาคได้จริงซึ่งพลังงานที่มองไม่เห็นและเป็นตัวก่อกำเนิดอนุภาคจนกลายเป็นอะตอมและจากอะตอมกลายเป็นธาตุต่างๆจนกลายเป็นวัตถุต่างๆได้นั้นในทางวิทยาศาสตร์แค่ค้นพบได้บางสิ่งว่าน่าจะมีพลังงานบางอย่างที่เป็นต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งแต่ไม่อาจจะเข้าใจได้จริงว่าแท้จริงแล้วพลังงานนั้นก็คือวิญ ญ, ญาณ ซึ่งเป็นพลังงานบริสุทธิ์เป็นพลังงานแห่งนมามธรรมที่จะรู้เห็นได้จริงต้องโดยวิธีทางสมาธิขั้นสูงเท่านั้นสำหรับในเรื่องของวิญญาณ น, นั้นถ้าเข้าใจได้จริงจะทําให้เข้าใจหลักปฏิจจสมุปบาทการเกิดดับของโลกและกฎแห่งกรรมได้อย่างชัดเจนแนะนําว่าท่านผู้สนใจลองหาโอกาสฟังเสียงงานเรื่องวิญญาณคืออะไรซึ่งเขียนโดยอาจารย์พรเช่นเดียวกันจะทําให้ท่านเข้าใจได้ดีขึ้นและมีประโยชน์ต่อการศึกษาธรรมอย่างมากนะครับ หควรจะจำไว้ให้ดีว่าคนที่จะเข้าใจเรื่องพลังทิพย์ได้อย่างแจ่มแจ้งและยอมรับว่าพลังทิพย์มีจริงนั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องวิญญาณเป็นอย่างดีฉันรู้ว่าร่างกายของเราเกิดมาจากวิญญาณของเราเองตัวธรรมชาติที่สร้างร่างกายก็คือวิญญาณนั่นเองตาเห็นก็คือวิญญาณเห็นหูได้ยินก็คือวิญญาณได้ยินสมองนึกคิดก็คือวิญญาณนึกคิด วิญญาณกับร่างกายไม่ใช่ของสิ่งเดียวกันทํานองเดียวกับน้ำในขวดน้ำกับขวดเป็นของคนละอย่างข้อมูลที่ทำให้รู้เรื่องนี้อย่างแจ่มแจ้งก็คือคนเราเมื่อตายก็ตายแต่ร่างกายเท่านั้นส่วนจิตใจหรือวิญญาณไม่ตายไม่สูญเพราะทุกคนที่ตายนั้นถ้าเป็นคนที่ยังมีกิเลสยังมีตัณหาไม่ใช่พระอรหันต์เวลาจะตายจริงๆ จะต้องมีร่างกายเกิดใหม่เสมอซึ่งร่างกายที่ว่านี้เป็นกายทิพย์หรือเป็นโอปปาติกะเป็นร่างกายซึ่งเกิดจากจิตใต้สานึกคือเกิดจากผวังขจิตคนที่ได้สมาธิขั้นสูงจะสามารถมองเห็นกายที่ว่านี้ได้ทุกคนซึ่งแสดงว่าร่างกายไม่ใช่เกิดจากพ่อแม่โดยตรงและไม่ใช่จะต้องเกิดมาจากการผสมพันธ์เท่านั้นคือจะต้องมีวิญญาณมาปฏิสนธิด้วย และยิ่งกว่านั้นคนที่เกิดมาแล้วสําหรับคนที่ได้สมาธิขั้นสูงก็ยังสามารถระลึกชาติก่อนๆของคนเหล่านั้นได้อีกซึ่งความสามารถที่ว่านี้พระพุทธเจ้าทรงมีเป็นปกติและมีมากยิ่งกว่าพระอรหรันต์ใดๆทั้งหมดขอให้นิดถึงเรื่องพระพุทธคุณโดยเฉพาะคือ ค, อคำว่าวิชาจารณะสัมปันโนพระผู้มีพระภาค ทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจจรณะวิชาในที่นี้หมายถึงอภิญญาทั้งหกไม่ใช่หมายเฉพาะวิชาสามคือปุเพนิวาสานุสติญาณหรือลึกชาติได้จุตูปะปะตาตญาณรู ก, การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายและอาสวะขยะญาณคือทำอาสวะให้สิ้นเท่านั้นเพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงมีความสามารถเช่นนี้ จึงได้ส่งรู้แจ้งว่าวิญญาณเป็นสิ่งที่มีอีกอย่างหนึ่งนอกจากร่างกายและส่งรู้แจ้งว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปคือวิญญาณเป็นตัวธรรมชาติผู้สร้างชีวิตการเห็นการได้ยินเป็นต้นเป็นปรากฏการณ์ของวิญญาณอย่างนี้เป็นต้น